พระไตรปิฎกเล่มที่12บสองมหาสีหนาทสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาฏสูตรใหญ่เรื่องสุนักขะตะัตตกล่าวตูพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะราวป่าด้านตะวันตกภายในพระนครเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแหลโอรสเจ้าลิชวี พระนามว่าสุนัขัตตะลาสิกขาจากพระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานเธอได้กล่าวในชุมชนน ก, กรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมไม่มียาทัศนะที่ประเสริฐบริสุทธิ์สูงสุดสามารถกำจัดกิเลสได้อันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์คือกุศลกรรมบทสิบประการสมณโคโดม ทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองธรรมะที่สมณะโคโดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นท่านพระสารีบุตรได้สดับคำของสุนัขขตตะขณะออกบินทบาต กลับจากบินทบาตภายหลังชันพัตหาเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องตามที่ได้ฟังมาจากปากของสุนัขขตะปิชวีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรโอรสเจ้าลิชวีพระนามว่สุนัขขตตะเป็นโมคะบุรุษมักโกรธเธอกล่าววาจานั้นเพราะความโกรธสุนัขะตะโมคะบุรุษคิดว่า จะ ก, กล่าวติดเตียนแต่กล่ากล่าวสันเสริญคุณของตถาคตอยู่นั่นแหละแท้จริงข้อที่บุคคลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมะที่สมณะโคโดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นเป็นการกล่าวสรเสริญคุณของตถาคตสุนัขขตโมคบุรุษ จักไม่มีปัญญารู้ธรรมะในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณ ะ, สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่กวนฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค ความหมายของหัวข้อนี้ก็คือคำแปลของบทอิตติปิโสที่รอสวดกันประจำนะครับสุนักขัตตะโมคะบุรุษจะไม่มีปัญญารู้ธรรมะในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้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 ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรมโลกก็ได้สุนัขขตตะโมคะบูรุษจะไม่มีปัญญารู้ธรรมะในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้รักผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงสดับเสียงสองชนิดคือหนึ่งเสียงทิพย์สองเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สุนัขขตตะโมคบุรุษ จักไม่มีปัญญารู้ธรรมะในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงกำหนดรู้ใจของสัตว์และบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้หรือจิตปราศจากโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้ หรือจิตปราศจากโมหะก็รู้จิตอดอู่ก็รู้จิตปุ้งซ่านก็รู้จิตเป็นมหคตะก็รู้หรือจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้จิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น เรื่องกำลังของพระตถาคตสิบประการหัวข้อนี้คือทศพลยานหรือทสพละยานสารีบุตรกำลังของตถาคตสิบประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปติญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาฏประกาศพรหมจักษ์ในบริษัท กำลังของตถาคตสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอัตฐานะโดยเป็นอัตฐานะในโลกนี้ตามความเป็นจริงฐานะในที่นี้หมายถึงเหตุและปัจจัยที่เรียกว่าฐานะเพราะเป็นแดนตั้งขึ้นเกิดขึ้นและเป็นไปแห่งผล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 หรือฐานะของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในปางก่อนบัลลือศีหนาตในที่นี้หมายถึงตรัสพระวาจาด้วยท่าทีองอาจดังพยาราชสีไม่ทรงวันเกรงผู้ใดเพราะทรงมั่นพระไยในศีลสมาธิปัญญาของพระองค์พรมรรมจักหมายถึงธรรมจักอันประเสริฐยอดเยี่ยมบริสุทธ มีสองประการคือ 1- ปฏิเวทญาณได้แก่ญาณระดับโลกุตตระแสดงถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า 2. เทสนายานได้แก่ญาณระดับโลกิยะแสดงถึงพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าญาณทั้งสองนี้ชื่อว่าโอรสยานญาณส่วนพระองค์ มีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นไม่มีแก่คนทั่วไปส่วนคำว่าบริษัทหมายถึงหมู่คณะที่ประชุมในที่นี้หมายถึงบริษัท8คือหนึ่งคติยะบริษัทสองพรามณบริษัท 3. กหะดีบริษัท 4. สมณบริษัท 5. จาจตุมหาราชบริษัท 6.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 ตถาคตรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงในที่นี้หมายถึงคติที่ควรไปและคติที่ไม่ควรไป 4. ตถาคตรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายอย่างมีธาตุที่แตกต่างกันตามความเป็นจริงธาตุหลายชนิดในที่นี้หมายถึงธาตุปมีจักขุูธาตุเป็นต้น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 และการออกจากฌานวิโมกขสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงความเศร้าหมองหมายถึงธรรมะฝ่ายเสื่อมได้แก่กามวิตกวิจารและปีติเป็นต้นที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญฌานตามลำดับขั้นของผู้ที่มีฌานยังไม่คล่องแคล่วประกอบความผ่องแผ้วหมายถึงธรรมะฝ่ายเจริญ ได้แก่การสังัดจัด ก, การการระงับวิตกวิจารการจางคลายไปแห่งปีติเป็นต้นซึ่งเป็นคุณค่าต่อการเจริญฌานให้ยิ่งขึ้นไปของผู้ที่มีฌานคล่องแคล่วประกอบในคำว่าฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตินี้ฌานหมายถึงฌานสี่ตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงจตุถับชฌานคือฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ วิโมกหมายถึงวิโมก8ประกอบสมาธิหมายถึงสมาธิสคือสวิตตกะสวิจาระสมาธิสมาธิที่มีวิตกและวิจารอวิตกะวิจาระมัตตสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอวิตกะวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร สำหรับสมาบัตในที่นี้หมายถึงอนุปุปภะสมาบัตเ9คือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่และสัญญาเวทาอิตานิโรธหนึ่งกำลังของพระตถาคตข้อที่8ตถาคตระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสิบชาติบ้างห0สบชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้าง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 เป็นเหตุให้ปติญญาฐานะที่องค์อาจบันเลือดสีหานาฏประกาศพรหมจักในบริษัทสาวรีบุตรบุคคลใดพึงว่ากล่าวว่าสมณโคโดมไม่มียานทัสนาที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์สมณโคโดมแสดงธรรมะที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เอง หากบุคคล น, นั้นไม่ละวาจานั้นไม่ลักความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้มหมายเหตุผู้อ่านข้อที่สุนักขตาลิชวีได้กล่าวหาพระผู้มีพระภาคว่าแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองนั้นข้อนี้หมายถึงกล่าวหาว่า ธรรมะที่ทรงสแสดงเกิดจากการคิดเดาเอาเองซึ่งหลายลทัทธิมักคิดเอาเองไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยญาณอันประเสริฐไม่ได้ตรัสรู้เข้าใจแก่นแท้ในความจริงข้อนี้ยกตัวอย่างจากพระสูตรอื่นที่เทพเจ้าชั้นสูงเกิดในวิมานว่างเปล่ามีชีวิตยาวนานยังหลงผิดคิดว่าตนเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดมีชีวิตอมตะและสาวกผู้บูชา ก็เผยแร่ข้อปฏิบัติด้วยการคิดเองว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้จะบรรลุโดยที่สิ่งนั้นไม่ได้ทำให้บรรลุได้จริงนะครับเช่นการอดอาหารการทรมานตนหลายลทัทธิแต่งเติมการเกิดและที่มาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือซึ่งแม้ตนเองอาจารย์ของตนเองก็ไม่เคยเห็นว่ามีอยู่จริงหรือไม่ แต่กลับเล่าเป็นเรื่องราวสืบต่อมาได้ว่ามีชีวิตอย่างนั้นมีกําเนิดอย่างนั้นหาได้บรรลือสีหนาฏว่ารู้เห็นชัดตามจริงอย่างพระพุทธเจ้าโดยที่สิ่งที่ประกาศนั้นบัณฑิตผู้รู้ไม่อาจคัดค้านได้ข้อนี้ฝากความเป็นห่วงกับพุทธศาสนิกชนคือคนที่อ้างว่านับถือพระพุทธเจ้าให้ย้อนกลับมาคิดนะครับว่าถ้าจะบูชาเทพเทวาควรจะบูชา สิ่งที่มีอยู่ตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือจะงมงายไปไหว้เทพนอกศาสนาอย่างมากมายเหมือนตอนนี้นะครับหนักสุดบาปสุดก็คงเป็นนักบวชในศาสนาที่นำพาประชาชนสร้างรูปเท พ, พเจ้านอกศาสนาให้คนพุทธไหว้นี่แหละนอกจากจะผิดคาหลักสอนแล้วยังนำพาไปทางที่ผิดทั้งที่มีคําสอนที่ถูกต้องมีพระอระหันตสาวกให้กราบไหว้มากมายกลับไม่คิดสร้างให้คนไหว้ ถ้าปากว่านับถือพุทธก็ต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตามคำสอนพระศาสดานะครับและถ้า่ากันนับถือสิ่งอื่นนอกจากนี้นอกจากพระธรรมวินัยนี้ก็ถือได้ว่าท่านเป็นดีรถีเป็นนักบวชนอกศาสนาและถ้าพระศาสดาทรงพระชนชีพยอยู่ถึงตอนนี้ลองคิดดูนะครับว่าพระองค์จะสอนให้กราบไหว้แบบนั้นต่อไปหรือจะทรงตาหนิการกระทาเหล่านั้นล่ะครับ เรามีองค์กรส่งมากมายเพื่ออะไรถ้าปล่อยให้วัดนำสิ่งนอกศาสนามาให้คนยึดเป็นสาระแบบนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับเรื่องเวสารชยานสาวรีบุตรเวสารชยานคือยานเป็นเหตุให้แกล้ากล้าสี่ประการนี้ที่ตถาคตมีแล้ว เป็นเหตุให้ปฏิญญาคือยืนยันฐานะที่องค์อาจบรรลือศีหานาฏประกาศพรมจักในบริษัทเวสาลัชยานของตถาคตสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพรามเทวดามารมหรือใครในโลกจะทักท้วงเรา ด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมะนั้นว่าท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะธรรมะเหล่านี้ท่านก็ยังไม่รู้เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกเสมไม่มีความกลัวกแลวกล่าอยู่นิมิตในที่นี้หมายถึงทั้งบุคคลและธรรมะที่เป็นเหตุสนับสนุนการทักท้วง คำพูดที่มีเหตุหมายถึงคำพูดที่อ้างอิงพยานบุคคลพยานหลักฐานมาเป็นเหตุสนับสนุนให้การทักท้วงสำเร็จประโยชน์น่าเชื่อถือ 2. อเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพรามเทวดามารพรหรือใครในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมะนั้นว่าท่านผู้ปฏิญญาว่า เป็นพระขีนาศอสุวะเหล่านี้ของท่านก็ยังไม่สิ้นไปเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแลวกล้าอยู่ 3. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือคใครในโลกจะทักทวงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่า อันตรายิกธรรมที่ท่านกล่าวไม่อาจาก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความกเกษมไม่มีความกลัวกล้าอยู่อันตรายยิกธรรมหมายถึงธรรมะที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลได้แก่อาบัติเจ็ดกองซึ่งเป็นโทษสําหรับปรักภิกษุผู้ล่วงละเมิดโดยที่สุด แม้ทุกกฎหรือทุกภาสิตในที่นี้หมายเอาเมถุนธรรมสเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพรามเทวดามารพรหรือใครในโลกจักทักทวงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมะนั้นว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใด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 บริษัท8สาวรีบุตรบริษัทแจํจำพวกนี้บริษัท8ดจพวกไหนบ้างคือ 1. คติยะบริษัท 2. พระมณะบริษัท 3. ขหบดีบริษัท 4. สมณ์บริษัท 5. จาตุมหาราชบริษัท 6. ดาวดึงสบริษัท 7. มารบริษัท 8. ปดรมมบริษัทบริษัทมี8ปดจำพวกนี้แหละตถาคตมีเวสาลัชยานสประการนี้จึงเข้าไปคบหาบริษัท8ดจำพวกนี้เราเข้าไปยังคติยาบริษัทหลายร้อยบริษัทย่อมรู้ว่าแม้ในบริษัทนั้นเราก็เคยนั่งใกล้เคยทักทายเคยปราศัย เคยสนทนากันเราไม่เห็นนิมิตว่าความกลัวหรือความสะทกสะท้านจะ ก, กล้ามกลายเราในบริษัทนั้นได้เลยเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลั ว, ลวกล้าอยู่อันหนึ่งเราเข้าไปอย่างพราหมณะบริษัทหลายร้อยบริษัทกะหาบดีบริษัทสมณบริษัทจ่าตุมหาราชบริษัท ดาวดึงสบริษัทมาระบริษัทเข้าไปยังพรหมบริษัทหลายร้อยบริษัทย่อมรู้ว่าแม้ในบริษัทนั้นๆเราก็เคยนั่งใกล้เคยทักทายเคยปราศัยเคยสนทนากันเราไม่เห็นนิมิตว่าความกลัวหรือความสะทกสะท้านจะกล้ามกลายเราในบริษัทนั้นได้เลยเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้ จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวกล้าวกล้าอยู่กําเนิดสสาหรีบุตรกาเนิดสีชนิดนี้กําเนิดสีชนิดไหนบ้างคือ 1. กําเนิดอันทชะการเกิดในไข่ 2. กําเนิดชลาผู้ชะการเกิดในคันภามกาเนิดสังเสทชะการเกิดในเท่าใคร หรือที่ชื้นแฉะ 4. ี่กำเนิดอบปฏิกะการเกิดผุดขึ้นกำเนิดอันตชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เจาะทำลายเปลือกไข่แล้วเกิดนี้เราเรียกว่ากำเนิดอันตชะกำเนิดชลาผู้ชะคือเหล่าสัตว์ผู้เกิดในคันกำเนิดสังเสทชะคือเหล่าสัตว์ผู้เกิดในปลาเน่า ซากศกเน่าขนมบูดน้ำครัมหรือเท้าใครกำเนิดอบปฏิกักคือเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกสารีบุตรกำเนิดมีสชนิดนี้แหละคติหาสารีบุตรคติ5ประการนี้คติหประการอะไรบ้างคือหนึ่งนรก 2. กำเนิดดิวราชาน 3. เปตวิสัย 4. มนุษย์ 5. เทวดาสำหรับคำว่าเปตในหัวข้อนี้ในพระไตรปิฎกใช้คำว่าเปตไม่มีรอเรือนะครับคงมาจากคำบาลีว่าเปตตักแต่คนไทยเอามาเรียกเป็นเปตมีรอเรือเรารู้ชัดนรกทางที่นำสัตว์ให้ถึงนรก ข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงนรกและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วยอมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเรารู้ชัดกาเนิดทางที่นำสัตว์ให้ถึงกาเนิดข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงกาเนิดและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุใหหลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในกำเนิดเดียร์ฉานไปเกิดในเปดวิสัยไปเกิดในหมูมนุษย์ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เรารู้ชัดนิพพานทางที่นำสัตว์ให้ถึงนิพพานข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงนิพพานและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอสวรรค์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 ไม่ละวาจานั้นไม่ลักความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้รู้เห็นการไปทุกติและสุกติของบุคคลอื่นเรากาหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น และดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกุกสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบนรกเหมือนหลุมฐานเพลิง หลุมฐานเพลิงลึกมากกว่าช่วงตัวบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวและควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ตเหนื่อยสะทกสะทานหิวกระหายเดินมุ่งมายังหลุมฐานเพลิงนั้นโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจะมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้นั่นแหละต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นจะพึงเห็นเขาผู้ตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้นเวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจะตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรศสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์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 เปรียบภพภูมิของเดรัจฉานเหมือนหลุมอุจจาระหลุมอุจจาระลึกมากกว่าช่วงตัวบุรุษเต็มไปด้วยอุจจาระลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาคร่อบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมายังหลุมอุจจาระนั้นโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพื้นกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจกมาถึงหลุมอุจจาระนี้นั่นแลต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นจะพึงเห็นเขาผู้ตกลงในหลุมอุจจาระนั้นแล้วส่วยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า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 คนผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในเปนตะวิสัยหรือเปตวิสัยต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในเปนตวิสัยเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบพบภูมิของเปตเหมือนได้พักใต้ต้นไม้มีใบน้อย ต้นไม้เกิดบนพื้นที่ไม่เสมอมีใบอ่อนใบแก่น้อยมีเงาโปร่งลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสถานหิวกระหายเดินมุ่งมาอย่างต้นไม้นั้นโดยขนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น และดำเนินทางนั้นจากมาถึงต้นไม้นี้นั่นแหละต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นจะพึ่งเห็นเขานั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้นั้นแล้วเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น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 หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในหมู่มนุษย์ต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในหมู่มนุษย์เสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบพบภูมิของมนุษย์เหมือนได้พักใต้ต้นไม้มีใบามากมีร่มเงาต้นไม้เกิดบนพื้นที่ราบเรียบมีใบอ่อนใบแก่มากมีร่มเงาทึบลำดับนั้น บุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผากรอบงําเหน็ดเหนื่อยสะทกสะทานหิวกระหายเดินมุ่งมาอย่างต้นไม้นั้นโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริเนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจากมาถึงต้นไม้นี้นั้นแหละต่อมาบุรุษผู้มีตาดี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 เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดาเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบเทวโลกหรือสวรรค์ เหมือนได้พักเหนื่อยภายในปราสาทชั้นดีปราสาทซึ่งมีเรือนยอดฉาบพาแล้วทั้งภายในและภายนอกลมเข้าไม่ได้มีกรอนแน่นมีประตูและหน้าต่างปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบันลังที่ลาดด้วยผ้าพรมขนสัตว์ลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนสัตว์ซึ่งทาเป็นรูปดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทาด้วยหนังชมด มีเพดานกั้นอยู่เบื้องบนมีหมอนแดงวางไว้สองข้างลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมายัางประสาทนั้นแหลโดยขนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นข้อแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น และดำเนินทางนั้นแล้วจากมาอย่างปราสาทนี้นั่นแหละต่อมาบุรุษผู้มีตาดีพึงเห็นเข้านั่งหรือนอนบนบันลังนั้นที่เรือนยอดในปราสาทนั้นเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น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 เรียบการบรรลุธรรมเหมือนได้เจอสระบกครณีที่ดับระงับความร้อนกระวนกระวายให้หายเหนื่อยได้สิน้นสระบกครณีมีน้ำใสจืดสนิทเยน็นสะอาดมีท่าเทียบหน้าเรื่นรมและในที่ไม่ไกลสระบกครณีนั้นก็มีแนวป่าทึบลำดับนั้น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 บุรุษผู้มีตาดีพึงเห็นเข้าลงสู่สะบกรณีนั้นแล้วอาบและดื่มระงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนที่แนวป่านั้นสวยสุขคเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า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 สวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวคติคือที่ไปของเหล่าสัตว์มีห้าประการนี้แหลสาวรีบุตรบุคคลใดพึงว่ากล่าวว่าสมณโคโดมไม่มียานัศสนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์สมณโคโดมแสดงธรรมะที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการคิดค้น แจําแจ้งได้เองหากบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้พระมรรจันมีองคสีสาริบุตรเรารู้ยิ่งความประพฤติพรหมรรย์มีองคศีคือหนึ่ง เราเป็นผู้บำเพ็ญตบะและเป็นผู้บำเพ็ญตบะอย่างยอดเยี่ยม 2. เราเป็นผู้ประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองและเป็นผู้ประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองอย่างยอดเยี่ยม 3. เราเป็นผู้ประพฤติรังเกียจบาปและเป็นผู้ประพฤติรังเกียจบาปอย่างยอดเยี่ยม 4. เราเป็นผู้ประพฤติสงัดและเป็นผู้ประพฤติสงัดอย่างยอดเยี่ยม สำหรับคำว่าพรหมจรรย์ที่ถูกต้องต้องหมายถึงความประพฤติประเสริฐมีในยะสิบสองประการคือหนึ่งทานการให้สองวัยาวัจจะการขวนขวายช่วยเหลือสามปัญจสิกขาบทศีลห้าสี่พรหมวิหารการประพฤติพรหมวิหารห้าธรรมะคือเทสนาห เมถุนวิรัตการงดเว้นจากการเสพเมถุนเจ็ดรัทธาสันโดษความยินดีเฉพาะคู่ครองของตนแปดอุโปสถังคะองค์อุโบสถเก้าอริยมรรคทางอันประเสริฐสิบศาสนาที่รวมไตรสิกข า, าสิบเอ็ดอัทยาศัยสิบสอง วิริยะความเพียรเหตุที่ตรัสพรมจรรย์เป็นสข้อนี้เพราะสุนักขะตะโอรสเจ้าลิชวีเป็นผู้มีความเชื่อตามลทัทธิที่มีการบัญญัติพรมจรร์ไว้ว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการประพฤติทุกขระกิริยาคือการทรมานตนทรงมุ่งขจัดความเชื่อนั้นว่าไม่ได้ทาให้พ้นทุกตรัสรายละเอียดของการประพฤต อย่างยิ่งยวดของพระองค์ที่ทรงทำมาแล้วและปรากฏว่าการทรมานตนเหล่านั้นหรือการยึดถือพรหมจรรย์สี่ข้อนั้นไม่ได้ทำให้พ้นทุกได้ซึ่งพระองค์เองทดลองปฏิบัติอย่างเข้มงวดมาแล้วดังนี้พรหมจรรย์ตามลัทธิอื่นข้อที่หนึ่งการบำเพ็ญตบะบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้นพรหมจรรย์ในการบาเพ็ญตบะของเรา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 ไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอนเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเรานั้นรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยคาข้าวคาเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำ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 เรานั้นกินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ้างลูกเดือยกากข้าวสาหร่ายรำข้าวตังกํมยานหญ้ามูลโคกินเง้าและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพเรานั้นนุ่งห่มผ้าป่านนุ่งห่มผ้าแกมกันผ้าหอ่อศพผ้าบางสุกุลผ้าเหลือกไม้หนังเสือ หนังสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าคากรองผ้าเปลือกปอกรองผ้าผลไม้กรองผ้ากำพลผมมนุษย์ผ้ากำพลขนสัตว์ผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระโยงคือถือการเดินกระโยงถือการนอนบนน้ําคือนอนบนที่นอนที่ทําด้วยน้ํา ถือการอาบน้ำวันละสามครั้งถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้นี้เป็นพรหมจรรย์ในการบำเพ็ญตบะของเราที่เคยบำเพ็ญมาแล้วพรหมจรรย์ตามลัทธิอื่นข้อที่สองการประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้น พรหมจรรย์ในการประพฤติถือสิ่งเศร้ามองของเราดังนี้คือมนทินคือทุลีที่หมักห ม, มมอยู่ในกายของเรานับหลายปีจนเป็นสะเก็ดต่อตะโกที่ตั้งอยู่นับหลายปีมีเปลือกแตกแยกจนเป็นสะเก็ดแม้ฉันใดมนฑินคือทุลีที่หมักห ม, มมอยู่ในกายของเรานับหลายปีจนเกิดเป็นสะเก็ดก็ฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า ถ้าอย่างไรเราควรปัดละอองธุลีนี้ด้วยฝ่ามือหรือคนเหล่าอื่นพึงปัดละอองธุลีนี้ของเราด้วยฝ่ามือความคิดแม้อย่างนี้มิได้มีแกเรานี้เป็นพรหมจรรย์ในการประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองของเราที่เคยประพฤติมาแล้วพรหมจรรย์ตามลทัทธิอื่นข้อที่สามการประพฤติรังเกยียร์บรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้น รมอาจารย์นในการประพฤติรังเกยียจของเราดังนี้ในที่นี้หมายถึงการประพฤติรังเกยียจบาปคือเรานั้นมีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยหลังความเอ็นดูของเราปรากฏแม้กระทั่งในหยดน้ําว่าเราอย่าได้ล้างผ่านสัตว์เล็กๆที่อยู่ในที่ต่างๆเลยนี้เป็นปรมอาจารย์นในการประพฤติรังเกยียจของเราที่เคยประพฤติมาแล้ว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 สัตว์ป่าเห็นพวกมนุษย์แล้วก็เตลดิดหนีจากป่าแห่งหนึ่งไปยังป่าอีกแห่งหนึ่งแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้พบเราเลยและเราก็อย่าได้พบคนเหล่านั้นเลยนี้เป็นพรหมจรรย์ในการประพฤติเป็นผู้สงัดของเราที่เคยประพฤติมาแล้วเรานั้นคลานเข้าไปในคอกที่ฝูงโคออกไปแล้ว ไม่มีคนเลี้ยงโคอยู่กินมูลโคของลูกโคตัวอ่อนที่ยังดื่มนมแล้วกินปัสสาวะอุจจาระของตนเองนั่นแหละตลอดเวลาที่ปัสสาวะและอุจจาระยังไม่สิ้นไปนี้เป็นพรหมจรรย์นในโภชนะมหาวิพักษของเราที่เคยประพฤติมาแล้วโภชนะมหาวิพักษ์หมายถึงอาหารที่สกปรกไม่สะอาดคือผิดปกติอย่างมาก เรานั้นเข้าอาศัยแนวป่าน่ากลัวแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ที่ว่าหน้ากลัวนั้นเราะเป็นแนวป่าที่น่าสะพรึงกลัวผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งยังมีราคะเข้าไปยังแนวป่านั้นโดยมากย่อมขนพองสียอยงเกล้าเรานั้นอยู่ที่กลางแจ้งตลอดทั้งคืนในราตรีที่หนาวเหน็บซึ่งอยู่ระหว่างเดือนสามต่อเดือนสี่เป็นช่วงเวลาที่หิมะตกเห็นปานั้น แต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางวันในเดือนท้ายแห่งฤ ด, ดูร้อนเราอยู่ในที่แจ้งในเวลากลางวันแต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางคืนคาถาอนอาอัศจรรย์นี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนปรากฏแก่เราว่ามุนีผู้สาะแสแวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ำค้างเลื่อยกาย ทั้งมีได้ผิงไฟอยู่คนเดียวในป่าที่น่ากลัวเรานอนแอบยิงกระดูกผีในป่าช้าพวกเด็กเลี้ยงโคเข้าใกล้เราแล้วถมน้ำลายรดบ้างถ่ายปัสสาวะรดบ้างโปรยฝุ่นลงบ้างเอาไม้ย่อนที่ช่องหูบ้างแต่เราไม่รู้สึกเลยว่ามีอกุศลจิตเกิดขึ้นในเด็กเหล่านั้น นี้เป็นพรหมจรรย์ในการอยู่ด้วยอุเบกขาของเราที่เคยประพฤติมาแล้วลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารมีสมณะพราหมูพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราดำรงชีวิตอยู่ได้ผลพุทธาพวกเขาเคี้ยวกินพุทธาผลหนึ่งบ้าง พุทราผลบ้างดื่มน้ําผลพุทราบ้างบริโภคผลพุทราที่แปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆบ้างแต่เราก็รู้ตัวว่ากินผลพุทราผลเดียวเท่านั้นเป็นอาหารเธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผลพุทราคงจะใหญ่เป็นแน่แต่เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นแม้ในการนั้นผลพุทราก็มีขนาดเท่าในแบบนี้ เมื่อเรากินพุทธาผลเดียวเท่านั้นเป็นอาหารร่างกายก็สู้ผอมเป็นอย่างมากอาวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวันที่มีข้อมากหรือมีข้อดำเพราะมีอาหารน้อยนั่นเองแต่พวกของเราเปรียบเหมือนรอยเท้าอูดกระดูกสันหลังขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเถาวสบ้ากระดูกซี่โครงเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงเหมือนกรอนศาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนั้น ดวงตากลวงลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบ่อน้ำที่ลึกฉะนั้นหนังสีสักซึ่งถูกลมพัดแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเปรียบเหมือนผลน้ำเต้าขมที่ถูกตัดแต่ยังอ่อนถูกลมและแดดแล้วย่อมเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองเรานั้นคิดว่าจากลูกหนังท้องแต่คามถูกกระดูกสันหลัง คิดว่าจากลูกกระดูกสันหลังแต่ความถูกหนังท้องหนังท้องของเราติดกระดูกสันหลังเรานั้นคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซล้มลงณที่นั้นนั่นเองเราเมื่อจะทำร่างกายให้สบายก็ลูบตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือคนทั้งหลายซึ่งมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกาย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 ร่างกายก็สู้ผอมเป็นอย่างยิ่งอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวันที่มีข้อมากและมีข้อดำเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองแต่โพกของเราเปรียบเหมือนรอยเท้าอูดกระดูกสันหลังขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเท้าสบ้ากระดูกซี่โครงเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงเหมือนกลอนศาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนั้นดวงตากลวงลึกเข้าไปในเบ้าตาเปรียบเหมือนน้ำเต้าขม เราเมื่อจะทําร่างกายให้สบายก็รูปตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือคนทั้งหลายซึ่งมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองเรามิได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์แม้ด้วยการปฏิบัติอันละที่อื่นถือกันว่าประเสริฐนั้นด้วยปฏิปทานั้น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 ที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะสังสารวัตรเป็นต้นสารีบุตรมีสมณพราามพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัตรที่เราไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยกาลช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุดทาวาส หากเราพึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกชั้นสุดทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกสำหรับข้อนี้หมายถึงต้องบรรลุเป็นพระอนาคามีและไปบังเกิดในเทวโลกชั้นสุดทาวาสและจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะจะบรรลุอรหัตผลและปรินิพพานในที่นั้นนะครับมีสมณพราหมพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ความบริสุทธิ์มีได้เพราะความเกิดความเกิดที่เราไม่เคยประสบในการละช้านานี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุดทาวาสหากเราพึ่งเกิดในเทวโลกชั้นสุดทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาวาส อาวาสในที่นี้หมายถึงคันทั้งหลายที่ที่เราไม่เคยอยู่อาศัยแล้วโดวยการละช้านานนี้เป็นของหาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุดทาวาสหากเราพึงอยู่ในเทวโลกชั้นสุดทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกมีสมณพราหม์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะการบูชายัญ ยันที่เราผู้เป็นคติยราชซึ่งได้รับมูรธาพิเศษแล้วหรือเป็นพรามณะมหาศาลไม่เคยบูชาแล้วโดวยการลช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายมีสมณะพรามพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะการบำเบลไฟไฟที่เราผู้เป็นคติยราชซึ่งได้รับมูรถาพิเศษแล้ว หรือเป็นพราหมณะมหาสารไม่เคยบำเรอแล้ว้วย ก, การละช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายข้อนี้คือตรัสบอกถึงสิ่งที่ทรงธท ร, รมมาตามความเชื่อนั้นแล้วแต่ก็หาได้บรรลุธรรมสัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลงมีสมณพราหมพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุตรหนุ่มผู้เจริญนี้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 ก็บัดนี้เราชราแก่เท่าล่วงการผ่านไวัยไปโดยลำดับเรามีอายุ80ปีสาวกบริษัทสี่ของเราในธรรมวินัยนี้มีอายุ100ปีเป็นอยู่ได้100ปีมีสติมีคติมีทิติอันยอดเยี่ยมและมีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งที่ชื่อว่ามีสติ เพราะสามารถเล่าเรียนตั้งหนึ่งบท 1,000 บทที่ชื่อว่ามีคติเพราะสามารถทรงจำและรวบรวมเรียบเรียงไว้ได้ที่ชื่อว่ามีทิฏฐิเพราะมีความเพียรที่สามารถทำการสาธยายสิ่งที่เล่าเรียนมาทรงจำมาไว้ได้นักแม่นธนูได้รับการฝึกหัดช่ำชองชำนิชำนาญเคยแสดงฝีมือมาแล้ว พึงยิงงวงตาลทางด้านขวางให้ตกลงได้โดยไม่ยากด้วยลูกศรขนาดเบาแม้ฉันใดสาวกบริษัท ส, สี่ของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันมีสติมีคติมีทิฏฐิอันยอดเยี่ยมอย่างนี้มีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งเธอทั้งหลายพึงถามปัญหาอิงสติปัฐานสี่กับเรา เราถูกถามแล้วจะพึงตอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทรงจำคำที่เราตอบแล้วโดยแจมแจ้งเธอทั้งหลายไม่ควรถามเราเกินกว่าสองครั้งธรรมะบรรยายของตถาคตนั้นไม่มีจบสิน้นบทและพยัญชนะของตถาคตนั้นไม่มีจบสิน้นความแจมแจ้งแห่งปัญญาของตถาคตนั้นไม่มีจบสิน้น ข้อนี้คือดำเนินไปได้ติดต่อกันเว้นไว้แต่เวลาดื่มกินถ่ายอุจจาระและปัสสาวะการหลับและการบรรเทาความเมื่อยล้าเมื่อเป็นเช่นนั้นสาวกบริสัทศีของเรานั้นมีอายุหนึ่งรปีเป็นอยู่ได้100รปีเมื่อล่วงหนึ่งรปีจนตายไปแม้ถ้าเธอทั้งหลายจะหามเราด้วยเตียงเล็ก ปัญญาความเฉลียวฉลาดของตถาคตย่อมไม่เป็นอย่างอื่นไปได้ข้อนี้มีคำอธิบายว่าเตียงเล็กหมายถึงเตียงที่ใช้หามผู้พิการนะครับบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยถูกต้องจะพึงกล่าวคํานั้นกับเราเท่านั้นว่าข้อนี้หมายถึงหากจะมีคนกล่าวด้วยความถูกต้องถึงพระพุทธองค์ควรกล่าวถึงท่านว่าสัต ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วในโลกเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าสัตว์ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายกว้างหมายถึงสัตว์ทั้งหลายทุกภพภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตทั้งหมด ได้แก่พระโพธิสัตว์พรมเทวดามนุษย์สัตว์นรกเปรสอสุรกายและสัตวยรฉานมหาสีหนาฏสูตรนี้สมเป็นการบันเลือสีหนาที่ยิ่งใหญ่รอเป็นการเปล่งพระวาจาอย่างอาจหารเล่าความที่เคยทดลองปฏิบัติมาแล้วทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถตรัสรู้ได้การค้านข้อปฏิบัติของสมณะพราหมณ์ครั้งนั้น จึงเป็นการค้านอย่างมีเหตุผลอย่างยิ่งทิ้งท้ายคำนิคมในสมัยนั้นท่านพระนาคาสมาละยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปฤิศดางของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นท่านพระนาคาสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนาอัศจรรย์ยิ่งไม่เคยปรากฏเพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้ ข้าพระองค์จึงเกิดขนลุกชูชันขึ้นแล้วธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคาสมาลมเพราะเหตุนั้นเธอจงจำไว้ว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อว่าโลมาหังสนะบัรยายแปลว่าเรื่องที่ทําให้ขนลุกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษีนี้แล้วท่านพระนาคสมาลม มีใจยินดีชื่นชมพระภาศิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบมหาสีหนาทสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง